ตรัสรู้ด้วยนะนั่นแหละเรียกว่าพระพุทธเจ้าสารนังเนี่ยแปลว่าขอเพึงพระองค์ว่าเป็นที่พึง่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้ามอบกายถวายชีวิตนี้ให้แก่พระพุทธเจ้านี่ความหมายของคำว่าสารณะคัตฉามิคัตฉะเนี่ยนะคัตฉะคัตฉานี่แปลว่าถึงหรือแปลว่ารู้เห็นเข้าใจตามพิจารณาตาม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 เพราะว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะชนเหล่านั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์มเมื่อเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์จะดีกว่าเทวดาเหล่าอื่นในฐานะสิบประการนะดีกว่าเทวดาทั่ ว, วไปที่ไม่มีสารณะสิบประการสิบประการมีอะไรบ้างหนึ่งนะรูปอ่ หมายความว่าอายุก็ยืนกว่าเทวดาทั่วไปผิวพรรณก็งามกว่าเทวดาทั่วๆไปวันณะก็สูงกว่าเทวดาทั่วไปความสุขมากกว่าเทวดาทั่วไปเนี่ยนะกําลังมากกว่าเทวดาทั่วไปและอธิปไตยคืออํานาจยิ่งใหญ่กว่าเทวดาทั่วไปรูปก็สวยกว่าคนอื่นเสียงก็เพราะกว่าคนอื่นนะเปลนสัมผัสทั้งหลายเนี่ยทุกอย่างจะดีกว่าคนอื่นทั้งหมดอันนี้คําของพระอินทร์ได้กล่าวเอาไว้ใน อในพระสูตรโมคลานะสังยุต์เนี่ยนะมันถ้าหากว่าเราค่อยๆทำความเข้าใจให้ดีๆเนี่ยน ะ, ะความรู้ความเข้าใจอันนี้แหละภาษาธรรมะใช้คําว่าซัพบนะตัวความเข้าใจนี่เป็นซับเขาเรียกว่าอริยรัพย์อริยทรัพยบนี่มีอยู่7ประการด้วยกันหนึ่งศรัทธาอริยซัพย์คือศรัทธาความสบายใจของเราอะใจของเราเน่ยเป็นซัพย์ชนิดหนึ่ง โลกนี้เขาแบ่งเป็นทรัพย์อยู่สองอย่างทรัพย์ทางกายกับทรัพย์ทางใจเขาเรียกว่าโภคทรัพย์กับอริยทรัพย์โภกทรัพย์คืออะไรก็คือบ้านช่องห้องหอเลือกสวนไรน่นาที่ทํามาหากินเข้าของเครื่องใช้แก้วแหวนเงินทองบุตรภรยาค่าทาส ก, กรรมกรเป็นต้นเนี่ยนะสี้งเหล่านี้เราเรียกกันว่าโภคทรัพย์และอริยทรัพย์ล่ะนะพวกทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในอกกาย ส่วนอริยทรัพย์เนี่ยเป็นทรัพย์ที่มีอยู่ในใจอริยทรัพย์เหล่านี้เรียกว่าทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์ที่อํานวยผลที่น่าปรารถนาให้แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรัพย์อันนั้นเรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ทําให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดก็สมพรามปรารถนาทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลสิ่งเหล่านี้เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือฮิริโอตตะปะ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 คือพระพุทธเจ้าเนี่ยน ะ, ะชื่อยาวที่สุดในโลกเหมนกนะมีใครชื่อยาวเท่าพระพุทธเจ้าชื่ออะไรบ้างอารหังสัมมาสัมพุทโธ ว, วิชชาจารณะสัมบันโนสุขโตโลกวิทวนุตโรบริสธรรมมัสสาติทั้งหมดนี้ชื่อพระพุทธเจ้าทั้งหมดชื่อโดยคุณสมบัติเรียกว่าชื่อตามคุณสมบัติชื่อตามความรู้ความสามารถชื่ออันดับแรกเลยก็คืออรหังถ้อาอรหันต์อรหันต์เนี่ยนะแปลได้หลายอย่างมากคือมีความหมายหลายอย่าง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 บอกว่าคนที่มีศรัทธาศินสุตะจากขะปัญญาเป็นต้นเพราะนั้นคนที่จะนับถือพระพุทธเจ้าได้เนี่ยต้องเป็นคนดีจึงจะนับถือพระพุทธเจ้าเพราะนั้นคนที่มีทรัพย์เนี่ยนะมีทรัพย์ได้นับถือพระพุทธเจ้านั้นจึงถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาสภาพจิตถามว่าการถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสาระของเรื่องทั้งหมดออยู่ที่ไหนอยู่ที่ความคิดของเราที่รอบรู้ใน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 โกรธเหลือเกินเนี่ยนะถ้าความโกรธปล่อยให้ความโกรธที่อยู่ในใจเรามานันแนะนําเลยนะทํำยังไงดีฆ่าซะเลยดีมั้งอ่ะนะเอ้าวถ้าเชื่อความโลภของตัวเองที่อยู่ในใจเอาความโลภตัวเองเป็นที่พึ่งเลยเอาไหมความโลภมันพาไปแต่ใหดีนะถ้าเชื่อความโง่เขลางมงายของตัวเองแล้วนับถือความโง่อันนั้นเป็นสรณะอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่ามีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว มีทุกอย่างลงแล้วทำขนาดที่สุดแห่งทุกเพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นตัวเองมานานแล้วพูดภาษาธรรมะหน่อยเขบอกว่าเวียนว่ายตายเกิดมานานก็เพราะเชื่อเหลือเชื่อตัวเองนี่แหละเนี่ยบัตรนี้เนี่ยนี่ยเามีอยู่มาพระอรหันต์รูปหนึ่งท่านบอกว่าเมื่อก่อนนะจิตฉันเนี่ยรับใช้แต่เธอทํารับใช้จิตรับใช้ความคิดตัวเองความคิดมันบอกอะไรเอาหมดเลยเชื่อหมดบัตรนี้นะตั้งแต่วันนี้ไปฉันขอเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียว ไม่เชื่อใจตัวเองแล้วขอเชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ว่าไงก็อย่างนั้นแหละขอปฏิบัติตามขอพูดตามขอรู้ตามมาถามทําไมและพระธรรมที่พระองค์แสดงเป็นธรรมเครื่องนําออกจากทุกขเพราะเชื่อตัวเองไม่ยิ่งยิ่งเชื่อมากยิ่งทุกมากนะลองเชื่อพระพุทธเจ้าดูไม่บางท่านก็บอกขอเชื่อพระพุทธเจ้าทั้งชาติดูสักชาติดูซิทำไม่พ้นทุกชาติหน้าแล้วค่อยว่าใม่แน่นอน ถามว่าทำไมเขาจึงบอกอย่างนั้นก็เพราะชาติหน้าพระพุทธศาสนาก็แทบไม่มีแล้วว่างนั้นนะมาเกิดผิดที่ก็ยากแล้วที่จะได้ศึกษาพระพุทธศาสนาเพราะเหลือน้อยเต็มทีเพราะฉะนั้นแบบต่อไปนนได้เชื่อตัวเองเต็มทีเลยแหละงนั้นนะมันก็สำคัญมากที่สุดก็คือการที่เราพยายามปรับความรูป้ปรับความเข้าใจในเรื่องพระคุณของพระพุทธเจ้าปรับความรูป้ปรับความเข้าใจในพระคุณของ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 ออกไปแล้วเพราะคนที่ถึงรู้เห็นอริยสัจตามพระพุทธเจ้าไม่เกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกเป็นต้นเขาบอกเอ๊ะแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเราจะตกนรกเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองว่าตกนรกนี่ไม่ตกรอกนรกไม่มีหอก น, น, นะก็เขาบอกว่าถ้าใครศึกษาเรื่องกรรมมาดีๆเนี่ยนะจะเข้าใจว่า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 ตอนนี้ก็งานใช่ไหมก็แปลว่าโลกอันชารานําไปไม่ยั่งยืนโลกจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปก็แปลว่าทุกคนเนี่ยนะอันชารานําไปไม่ยั่งยืนแกทุกวันทุกวันในที่สุดก็ตายโลกจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปในที่สุดเนี่ยนะเมือม่อเมือม่อเช้าเนี่ยนั่งยืนคุยกับโยมนิดนึงคุยไปคุยมาก็บอกว่าเนี่ยตอนที่เขามามาที่นี่ใหม่ๆนะตอนนั้นเนี่พยพระไตรปิฎกไม่ครบชุดหรอก ก็มีโยมเข้าเอาพระไตยไปดอกมาถวายโยมกิมย้อนอย่างนั้นตอนนี้โยมกิมย้อนอยู่ไหนแล้วบอกตายไปแล้วโอ้โหเนี่ยตายอีกแล้วเหรอฟังแต่ข่าวประเภทนี้บ่อยๆว่าชักเชื่อเอ้เราก็จะไปเหมือนกันนะเนี่ยก็เลยตอนนี้ก็เรียบกริบเก็บบุญใหญ่เลยกลัวจะไม่มีบุญต่อไปนําเกิดชาติหน้าเพิ่งได้เพิ่งได้ข่าวสักเมื่อเช้านี่แหละ ว, ว่าโยมกิมย้อนตายแล้วเพิ่งรู้ว่างานโอ้โหนี่เขค่อ ย, อยทยอยไปเรื่อยๆจริงๆเลยลเนี่ยเราเขาไม่เหลือนะเนี่ย โลกจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปก็ดีใจเมื่อก่อนตูมอยู่ตรงนั้นโยมกินยนั่ไงฮะพระไตรปิฎกมาให้ชุดหนึ่งนะได้อ่านในตอนนั้นเพราะันถ้าคนที่ไม่มีบุญเนี่ยนะมันยากเหมือนกันนะไปเกิดชาติหน้าถ้ามาเกิดเป็นยุงและชีวิตชาติหน้าใครเรารับใครรับผิดชอบเราเอาจะเกิดเป็นยุงดังหึ่งเลยเนะี่ยเมื่อวานลงรถมาปับโอ้ยยุงมันดังขนาดนี้เลยนะร้องสนั่นไปหมดบอกว่าไปที่โน้นที่เขาเนะ่ยเขาของเขาดงยาง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 เพราะอะรเพราะว่าต้องศึกษาให้ละเอียดนิดหนึ่งแล้วจะเข้าใจนะศึกษาจนจนพอแล้วจะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หลอกลวงอะไรหรอกนะศึกษาเรื่องจิตตนิยามที่เรียกว่าจิตตนิยามศึกษาเรื่องกรรมมนิยามเรื่องความยุติดของจิตความเกี่ยวข้องของจิตกระแสของความคิดที่มันไหลไปแล้วกรรมตัวใดเนี่ยมันเป็นตัวเป็นปัจจัยให้แก่จิตตามนั้นเนี่ยนะที่จริงถ้าใครที่ศึกษาอภิธรรมเยอะๆหรือว่า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 บอโอ้ไปด้วยกันนะมาหัวติดกันมาเลยก็ไม่เอาท้องติดกันมาเลยก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นมาคนเดียวแล้วก็ไปคนเดียวเนี่ยนะขนาดบอกอินเดียนี้เคร่งาศาสนานักเคร่งนักเคร่งหนาะแหมผัวตายเมียตา ย, ต า, ยตามขนาดนั้นบ้านไม่ม่ก็ยังใหญ่โตเนี่ยนะนั่น ก, ก็ก็ต่างคนก็ต่างไปต่างคนก็ต่างอยู่เพราะนั้นกรรมสัตว์ทั้งหลายนี่ย่อมเป็นโลกนี่ย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมเหล่านั้นอยู่ที่ไหนกายวาจาและใจเพราะนั้นการที่เรามีสาระดีอย่างไร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 เหล็กทาสีทองทองเหลืองทาสีทองก็จะไหวยอยู่เท่านั้นจริงๆไหวสีโอ้สวยดีกราบเห็นไหมบอกกราบอะไรกราบพระพุทธเจ้าวา่า้นเอ๊ะพระพุทธเจ้าความหมายของพระุทธเจ้าคืออะไรกันแน่อันนี้แค่ว่ารูปเหมือนรูปเปรียบเท่านั้นเองให้เราจะได้ระลึกถึงพระพุทธคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องกราบเรื่องไหว้พระพระพุทธรูปนะพมาก็กราบ แต่หมายคือว่าไอความรู้ความเข้าใจนี่เป็นตัวที่สําคัญที่สุด ป, ปัญญาจึงเป็นอริยสัพปะเนี่ยนะปัญญาจึงเป็นอริยสัพปะเขาเรียกว่าสแสวงหาปัญญาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะที่ดับทุกข์ได้เนี่ยนะเรียกว่าสัตว์ข้ามอนุปข้ามสังสารวัฏเนี่ยข้ามได้ด้วยอะไรบอกด้วยปัญญาข้ามการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยอนุภาพของ ปัญญาท่านปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เวียนพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดปัญญาตัวนั้นอ่ะแปลแปลบาลีเป็นบาลีแปลบาลีเป็นบาลี ป, ลล ป, ลปัญญาแปลว่าสัมมาทิฐิสัมมาทิฐิแปลว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงธรรมวิจยะสัมโพชฌงแปลว่าปัญญีสีปัญญีสีแปลว่าปัญญาภะะปัญญาภะระแปลวปล่า ว, วิมังสาทิปติ นะหรือวิมังสิทธิทบาทเป็นต้นแปลไปแปลามาก็คือแปลว่าความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องมัชชิมาปฏิปทาขึ้นต้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องมัชแ8ดเนี่ยขึ้นตรงขึ้นตรงที่ความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อเข้าใจถูกต้องรู้ถูกต้องเห็นถูกต้องคิดตามใครควรตามอย่างถูกต้องเรียกว่าสัมมาสัสงกัปปะ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 จเจริญมักแปดเพื่อกําหนดรู้ทุกข์เพื่อละสมุทยัยเพื่อทำพระนิพานให้แจ้งความหมายของคําว่ามักเนี่ยนะมักมักเป็นภาษาบาลีมักไม่ใช่ภาษาอีสานนะถ้าปฏิบัติตามมักภาษาอีสานเนี่ยสบายมากมักแปลว่าอะไรแปลว่าชอบเนี่ยนะภาษาอีสานเนี่ยมักเนี่ยแปลว่าชอบมักหลายอย่างนั้นะแปลว่าชอบมากอ่างนั้นแต่ถ้ามักภาษาบาลีนี่แปลว่า เครื่องสแสวงหาพระนิพพานมัคคมัคโคเนี่ยนะเครื่องที่สแสวงหาพระนิพพานหมายคาอว่าใครก็ตามถ้าต้องการบรรลุนิพพานต้องหามัคให้เจอถ้าไม่มีอริยมรรคเนี่ยจะบรรลุนิพพานไม่ได้หรือเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ตรัสรู้พระนิพพานมันถ้ า, ถ, าถ้าไม่ใช่นิพพานนะย่อมโมดยมไมให้เกลียดทุกข์ให้ตายยมก็ไม่พ้นทุกข์ อันนี้เล่าเกี่ อ, อะไรนะในใโอใสายบาดมานานแล้วก็เล่าให้ฟังตรงๆเลยทึงโยมเกลียดทุกข์ให้ตายยังไงก็ช่างเถอะถ้าโยมไม่รู้จักนิพพานยังไงก็ไม่พ้นทุกข์นะแต่คำว่านิพพานเนี่ยถ้าเหมือนอย่างที่เราสมมติท่านนิพพานในความคิดของเรานะใครที่คิดนิพพานถูกต้องได้คนนั้นอนะ่ะคือพระอริอยะเพราะฉะนั้นอย่างที่โยมได้ยินคําว่านิพพานนิพพานนิพพานเนี่ยเนี่ยได้ยินแต่ชื่อเราไม่เข้าใจจริงๆหรอก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 ยมที่ที่เขานิมนต์ไปเทศวัดสแกงามให้เราเข้าไปโอ้ยวัดสแกงามนะเราจินตนาการฝันมาใหญ่เลยสักวัดสแกงงามนะเขาพูดนะท่านไปเทศจางงั้นที่ตรงนี้มีศาลาให้มีอะไรเราก็สร้างศาลาในความคิดสร้างวัดในความคิดของเราเชื่อไว้ไปถึงไม่เหมือนอย่างที่คิดไม่แต่เรื่องเดียวเนี่ยนะบอกอว่าวัดสแกงงามมันใหญ่โตขนาดนี้ก็ยังไม่เหมือนอย่างที่เราคิดเลยนะ แล้วไปไปบรรยายธรรมที่อื่นๆก็เหมือนกันบอกโอ้ท่านน ะ, ะคนนั้นเขาจะมาพบท่านเขาชื่ออย่างนั้นเขาทำมา น, นั่นมาเราก็สร้างหน้าตาในใจเราเสร็จแล้วเชื่อไม่เห็นหน้าหเหมือนอย่างที่เราคิดเลยเมื่อคืนยงเขามาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเนี่ยฟังเสียงท่านแล้วนะตัวเล็กคิ้วขาวอายุยี่สิบกว่าบอกตรงค่มหมดเลย <c oughs> มันไม่เหมือนหรอก <c oughs> มันอะไรก็ตามเขาบอกว่าจริงความจริงกับความเชื่อบางทีก็ไม่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 มั่นใจจริงหรือเนี่ยนะเ อ, เอาจริงเขาไม่มั่นใจเวลาคนอื่นท้วงก็บอกมั่นใจพอคนอื่นเขาเลิกท้วงไอ้ชักไม่แน่ใจเนี่ยนะมันก็อยู่อย่างนั้นละเพราะฉะนั้นต้องพยายามทบทวนให้ดีทีนี้ในฐานะที่เราเนี่ยมีพระรัตนตรัยเป็นสาระนะเรามีพระพุทธเจ้าเป็นสาระนะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นเป็นใครท่านรู้อะไรท่านตต่สรู้อะไรท่านสอนอะไร เขามานี่ตั้งประเด็นในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าไว้ประมาณสี่ประเด็นจริงไม่ได้คิดเองหรอกอัตถกถาท่านพาคิดเขาบอกว่าเขามีอยู่เมืองหนึ่งเรียกว่าเมืองภัยาลีกษัตริย์เมื่อเขาเขาปกครองคล้ายๆสมบูรณ์อาณาอ่าก็ไปเขาปกครองคล้ายๆประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยในเวทวงของเจ้าคือหมายก็ว่าเขามีเจ้าอยู่เชื้อเจ้าเนี่ยเชื้อวง์เชื้อพระราชวงศ์เนี่ย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 ท่านพูดอะไรท่านคิดอะไรท่านทําอะไรท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านใช้เวลาทํานานแค่ไหนอย่างไรอันนี้ น, นึกชุดที่นหนึ่งที่เขามาคุยกัน เ, เราประชุมกันเป็นเรื่องเว็ราวเลยแหละกลุ่ลมที่หนึ่งที่สองพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้ามีคุณนะสมบัติ ร, รัเกี่ยวกับร่างกายเป็นยังไงบ้างร่างกายของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงบ้างแล้วกรรมเหล่าใดมาตกแต่งให้มีร่างกายเช่นนั้นมองเหตุกับมองผลมองผลกับมองเหตุเนี่ยนะ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 วงหน้ากรอบหน้าคางจมูกต้นคอศีรษนะมือแขนรูปร่างแต่ละส่วนนี่ทำกรรมอะไรมาบอกหมดเลยฝ่ามือทําไมเป็นอย่างนี้ฝ่าเท้าทําไมเป็นอย่างนี้หลังทําไมเป็นอย่างนี้ผิวทําไมเป็นอย่างนี้ไปทํากรรมอะไรมาจึงได้มีรูปรูปร่างกายที่เป็นแบบนี้บอกหมดเลยอันนี้เกี่ยวกับร่างกายสอนเกี่ยวกับเรื่องจิตใจท่านคิดอะไรท่านคิดอะไรบ้างตอนที่ท่านเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์ท่านจะเล่าให้ฟังทั้งหมด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 พระโพธิสัตว์พอไปนั่งต้นโพเนี่ยท่านตรัสรู้อะไรท่านตรัสรูร้ว่าอย่างไรก็มาไปเนี่ยนะไปบางทีเช้าตีสี่ลุก uh, ตีห้าเนี่ยไปแล้วไปที่ตรงนั้นอะไปที่ที่ท่านตรัสรู้เนี่ยนะอยากรู้จริงๆว่าท่านตรัสรู้อะไรกรนั้นแต่ก็อ่านไปเยอะแล้วนะรวบรวมหนังสือเป็นเล่มโตๆเลยแหละเอาไปไปนั่งดูไปเสร็จแล้วก็กลับมาฉันฉันเสร็จไปใหม่สายก็ไปแล้วก็ได้เวลาเพลก็กลับมาฉันเพนฉันเพนเสร็จก็ไปใหม่ แล้วกลับมาส่งน้ําส่งน้ําเสร็จไปใหม่อีกรอบหนึ่งวันละสี่รอบเราก็ไปเลือกที่พักใกล้ๆวัดแต่ใกล้ๆที่ตาสรุนหน่อยเราจะได้ไปได้หลายๆครั้งเนี่ยนะก็เดินไปอยากรู้จริงๆแล้วก็ไปอย่างเงี้ยไปเกิน20่สามสิบครั้งแล้ะแต่ถามว่าตอนนี้เข้าใจหรื อ, อยังบอกก็ยังเรยังศึกษาอยู่ว่างั้นเถอะก็ในฐานะนักศึกษาด้วยกันว่างั้นนักศึกษาคําสอนด้วยกันเพราะหลายท่านเขาอ่านพระไตรปิฎกอยู่ก็อยากให้ไปค่อยๆคิดต่อไปอย่าเพิ่งสรุป คนที่สรุปได้จริงคือพระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์ไปแล้วนั่นแหละจึงสรุปได้จริงๆถ้ายังไม่ใช่พระอรหันต์ยังเป็นนักศึกษาหมดศึกษานี่ เ, เรียกว่าสิกขาสิกขาเสขาเนี่ยนะพระเสขาก็คือพระนักศึกษาทั้งหลายแต่ศึกษาในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้แค่อ่านขีดเขียนนะไม่ใช่ศึกษาหมายว่ากระทําตัวเพื่อความเป็นพระอริยเจ้าเรียกว่า ศึกษาถ้าเป็นพาาระอรหันต์เขาเรียกว่าอาเสขะแปลว่าศึกษาจบแล้วเสขาธรรมมาอเสขาธรรมมาเนวะเสขานะาเสขาธรรมมาเสขาธรรมมากำลังศึกษาอธิศีณาธิจิตอธิปัญญาปฏิบัติเพื่อโสธรรมบันลุโสดาบันสกธาคามีรรารรามอานาคามีแล้วก็เป็นพระ อ, ร, อรหัตถ้ายังได้อรหัตตะมรกอยู่ยัง ก, กำลังศึกษาอยู่ถ้าเป็นพาาระอรหันต์ไปแล้วอรหัตตผลไปแล้วเรียกว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว อะตัวนั้นแปลว่าสำเร็จหรือเจริญบริบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วนะก็เรียกว่าอ่เสกขาทำ ม, มาอ่เสขะคือคือคนที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาสำเร็จศึกษาจนเสร็จสิ้นแล้วพันถ้าเรายังระหว่างนี้ก็ยังเรียกว่านักนักศึกษาอยู่